คำว่าโลกย่อมหมายถึงสัตว์ถึงบุคคลเป็นหลักใหญ่ของโลกตทั่วไปคำว่าสัตว์ก็มีทั่วโลกธถาดไม่มีกาหนดกฎเกณฑ์ว่าเป็นสัตว์จำพวกใดชนิดใด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 ก็แปลว่าผู้ยังคล้องยังติดอยู่สิ่งที่ติดที่คล้องนั่นก็ไม่ใช่อะไรนอกเหนือไปจากมหาอานาจที่ครอบอยู่ภายในจิตใจของสัตว์นั่นแหละคือของสัตว์ผู้ที่ติดที่คล้องนั่นแหละไม่ใช่ผู้ใดเป็นผู้ติดต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศ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 ย่อมเป็นหลักธรรมชาติของตนอยู่อย่างนั้นจึงหมายถึงสัตว์ถึงบุคคลที่มีใจคลองเป็นสำคัญอันเป็นหลักใหญ่ของคำว่าโลกตอนเราจะพะนันถึงเรื่องของโลกของสัตว์ทั่วไปในแดนโลกกระฐานนี้แล้วหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้เลยเพราะเกิน กำลังความสามารถที่จะนับจะอานได้ในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ให้นามว่าติดข้องติดข้องอยู่ด้วยกนันี้มีรายใดคำคาว่าเป็นสัตว์ก็ย่อมมีคำว่าติดข้องอยู่เช่นเดียวกันหมดเมื่อเป็นเช่นนั้นทุกที่มีประจําอยู่กับสัตว์ ย่อมมีมากน้อยต่างกันเป็นประจำที่ว่าไม่มีทุกเลยนั้นเป็นไปไม่ไดไ้ต้องมีทุกมากทุกน้อยเว้นแต่ทันผู้ที่สิ้นเชื่อพ้นจากคำว่าเป็นสัตว์คือความติดข้องอยู่ในอํานาจของวิเลที่ว่ามหาอานาจนี้เสียเท่านั้น ท่านเหล่านี้พ้นไปเท่าไหร่ก็เพียกว่าพ้นทุกไปเท่านั้นและคำว่าโลกนี้มีมานานแสนนานเราจะนับอ่านว่ามีมาแล้วเท่าไหร่และจะมีไปอีกเท่าไหร่นี้ก็คํานวณไม่ได้เพราะไม่มีคําว่าเงื่อนต้นและเงื่อนปลายจึงเอามาทดสอบหรือทบทวนกัน วัดกันไม่ได้จะต้องเป็นเช่นนี้ตลอดไปหากว่าไม่ได้ชําระเชื่ออันพาให้หมุนอยู่ตลอดเวลาพายในจิตใจนี้ออกได้เสียเมื่อไหร่จะต้องเป็นไปเช่นนี้ใครจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามใครจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยหรือไม่เป็นก็ตามธรรมชาตินี้ต้องเป็นอย่างนี้อยู่โดยหลักธรรมชาติของตนไม่เป็นอย่างอื่น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 อันเป็นต้นแห่งธรรมเต็มพระไทัยแล้วก็ขยายธรรมนี้ออกไปเรียกประกาศสาธนาธรรมให้โลกทั้งหลายได้ทราบได้เข้าใจแล้วประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางที่ท่านแนะนำสั่งสอนด้วยโปรดเมตตานั้นอันนี้แลคือเรียกว่าเราข้ามแม่น้ำมหามหาสมุทมหานิยมด้วยเรือคือความดีทั้งหลาย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 อันเป็นเรื่องของกิเลสด้วนล้วนฝังอยู่ภายในจิตใจและมีรสชาติที่แนบสนิทไม่มีรสชาติกินใดกลมกล่อมยิ่งกว่ารสชาติของมหาสมุทรมหานิยมที่มีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์นี้เลยการที่จะข้ามมหาสมุทรมหานิยมหรือรสชาติแห่งสมุทรนิยมอันนี้ไปได้ยึงต้องอาศัยหลักธรรมหรือ อาศัยทำเครื่องดำเนินในเบื้องต้นก็ยังมีการต่อสู้กันอย่างหนักเช่นความตะเกียกตะกายความอดความทนความฝ่าฟื้นความขี้เกียจที่ครานความท้อถอยอ่อนแอซึ่งมีแง่ต่างๆที่ผิดขึ้นมาจากเลือ เข้ามากีดกันห่วงห้ามดิ้นต้านทานเราไม่ให้ก้าวไม่ให้เดินไม่ให้ไปได้สะดวกสบายต้องได้ชาระสาสางต้องได้ต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ไม่น้อยหากว่าไม่ได้ชาระสาสางหรือไม่ได้ต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้บ้างเลยแต่จะเป็นอัดเป็นรมขึ้นมาจะเป็นความสะดวกสบายขึ้นมาโดยลำดับลำดาบและหลุดพ้นไปได้อย่างง่ายดายนั้น พระธรรมของพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเป็นพระบารมีทั้งหลายหมาก็เป็นโมคฆะพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เป็นโมคฆะเพราะท่านเหล่านี้มีแต่ความลำบากลาบนทั้งนั้นก่อนที่จะก้าวขึ้นสู่ความเป็นจักสดาของโลกทรงตะเกียรติการมาซ้มากต่อมากไม่มีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าแต่แต่ละพระองค์ ในการตะเกียบตะกายพระองค์เลื่อยมาตั้งแต่ขั้งปฐมมาโธิานคือปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าขั้งแรกตั้งแต่บัดนั้นก็ข้าวเดินตามเสม้นทิดที่ได้ตั้งความปรารถนาเอาไว้ทุกยากลาบากขนาดไหนก็ต้องอดต้องทนต้องต่อสู้ต้องตะเกียบตะกายเลื่อยมาเช่นเดียวกับเราเดินทาง ทางอ้าบลื่นก็ต้องกล้าก็ต้องไปทางขุกระก็ต้องไปทางยากทางโคดทางอ้อมโคดที่ไหนก็ต้องไปลำบากลำบนแค่ไหนก็ต้องไปเพราะสายทางอยู่ที่นั่นเพื่อจุดหมายปลายทางสายทางอื่นไม่มีนี่ก็สายทางที่จะให้ถึงความเป็นศาสดาและความพ้นทุกข์ก็มีอยู่กับทางดำเนยิยที่จะทรงตะเกียบตะกายเลื่อยมาทุกพบทุกชะ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 คีอกิเลสประเภทต่างๆนี้บ้างเลยแล้วก็เกินถูกเกินพระพุทธเจ้าทำมีแต่ความต้องการเฉยๆโดยไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาฝา่าฝืนก้าวเดินตามทางจะยากำบากขนาดไหนก็ตามเราต้องข้าวต้องเดินไปอย่างนี้ถึงจะเป็นไปได้เราจะเพราะอย่างยิ่ย่นเข้ามาหาตัวเราแต่ละรายลายในปัจจุบันซึ่ง เป็นผลประจักษ์ที่จะควรได้รับอยู่เวลานี้ ค, คือเราเองที่พร้อมแล้วในการประปฏิบัติเพศก็อำนวยแล้วเราได้ตั้งเข็มทิศทางเดินของเราไว้อย่างไรบ้างมีเป็นปัญหาที่เราจะต้องตั้งขึ้นมาถามตัวเองแล้วก้าวเดินตาม เหตุผลที่เห็นว่าถูกต้องเป็นธรรมแล้วนั้นไม่ว่าจะเป็นความเพียนท่าใดของการแก้ที่เด็ดถอถอนที่เด็ดออกจากจิตใจจะยากจะลาบากเพียงไรก็าตามจะต้องแก้ต้องถอดต้องถอนจะต้องบึกบืนจะต้องอดต้องทนต้องต่อสู้กันอยู่ตลอดไปไม่มีคำว่าลดละท้อถอย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 อันนี้เป็นคู่เทียมกันไปตามโอกาสพอเหมาะสมไม่ให้เกินเหตุเกินผลเชื่อนพักก็พักเพื่อเกินจมนอนก็ไม่รู้จักตื่นอันงนี้ไม่ใช่พักชันก็ไม่รู้จักอิ่มท้องใหญ่โตยิ่งกว่าภูเขาก็อำนาจแห่งกัรหาพาให้ท้องใหญ่ท้องโตดังนี้ก็ผิดพระประสงค์หรือผิดทางเดิน เพื่อความพ้นทุกข์าะฉะนั้นการพักผ่อนก็ฟังคําว่าพักพักผ่อนอพอยังอัตภาพไม่เปลี่ยนไปนี้กําลังวังชาแล้วก็ก้าวเดินด้วยความภาคเพียรในอิบทหรือวิธีการต่างๆต่อไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่ถอยนะเวลานอนก็มีเวลาอย่างนั้นซึ่งเวลาฉันก็เหมือนกันไม่ได้ฉันเพื่อความอ้วนท้วนสวยงามดังที่ เคยเป็นมาในตัวของเราเองและโลกทั่วไปอันนั้นเป็นเรื่องวิสัยของโลกหากเป็นอย่างนั้นมาดั้งเดิมแต่ผู้ที่จะทรงอัดทรงทำผู้ที่จะผู้ที่จะถอดถอนกิเลสการขบการสันการท้ายการสอยในสิ่งใดย่อมมีสติย่อมพินิจพิจรารณาในความเหมาะสมควรหรือไม่ควรมากน้อยประการใดอยู่โดยสม่ำเสมอลดละความพินิจพิจรารณารอบตัวอย่างนี้ไม่ได้ เหนือกว่าก้าวเดินเดินจงกรมนั่นก็คือความเพียรความเพียรเป็นยังไงในวิธีการของการเดินจงกรมการก้าวเดินนั้นก้าวไปเพื่อเพื่ออริยบทให้สม่ำเสมอและเป็นวิธีการอันหนึ่งในการประกอบความภเพียรที่สําคัญก็คือสติให้แนบให้ติด ก, กันกับความเพียรของตนเราเพียรด้วย เหตุผลกลไกอะไรให้สติอยู่กับความเปลี่ยนในเหตุผลกลไกนั้นๆเช่นเรากําหนดพิจารณาอะไรสติต้องแนบสนิทกับสิ่งที่เราพิจารณาเรากําหนดทํามวยกรรมก็ให้สติแนบติดติดแนบอยู่กับคําบวยกรรมเราทําความรู้สึกตัวในร่างกายของเรานี้ให้เป็นสัมปัตยัญญาก็ให้มีสติติดกันเป็นแถวเป็นแนว อันเดียวกันที่เรียกว่าสัมปะชัญญะนี่ก็ฮก็คือสาติที่สบต่อเนื่องกันไม่ทั้งเถอนนั่นเองนี่เวลาเหนือหน่อยเมื่อยล้าตามกรรมนายด้อมอยากจะดิบจะพักจะหลับจะนอนแต่คำว่าความเพียรนะก้องเพียรควรจะต่อสู้ความเหนือหน่อยเมื่อยล้านี่ประการใดบ้าง เราก็ต้องอดเราก็ต้องทนเช่นเดินจนครมนานๆนีนน่ก็คือความอดความทนนั่นแหละประการแรกเป็นอย่างนั้นแต่ประการต่อไปที่สติปัญญามีทางก้าวเดินและเป็นตัวของตัวขึ้นมาแล้วย่อมเป็นสติปัญญาและความเพียรนั้นย่อมเป็นเครื่องดึงดูดตัวเองประเองเอียบทั้งหลายก็ก้าวไปตามมันถึงจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจิตใจก็ไามา่เป็นอารมณ์กับ อินยาบอกแนวการเดินของเรานี่ก็เรียกว่าความความเพียรเอาเดินผู้ทําความเพียรด้วยท่าเดินต้องเดินเอาจะเหนื่อยจะเมื่อยล้าขนาดไหนก็ให้ทราบว่าเราทํำงานเขาเดินทางเพื่อจุดนั้นจุดนี้เมื่อยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เขาต้องการเขาต้องฝ่าต้องฟืนต้องอดต้องทนก้าวเดินไปได้ด้วยพักก็เยียงเล็กน้อยแล้วก้าวเดินไปเป็นส่วนมาก ทือทำการงานด้วยการก้าเดินมีการประกอบความภาคเพียรด้วยวิธีเดินก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราจะเห็นแต่ว่าพอเหน็ดเหนื่อยบ้างแล้วก็แค่หยุดเฉียดหยุดเสียอันนี้มันเป็นเหมือนกับว่าทําเล่นทําเป็นวทธีทําไม่มีความรู้สึกเห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษมหาโทษต่อหัวใจนี้เละผู้ ท, ที่เห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษอยู่ในหัวใจนี้ ย่อมจะมีการต่อสู้ตลอวเวลาการต่อสู้กับความอดความทนกับความภาคเพียรที่พยายามทุกด้านทุกทางที่จะให้ก้าวเดินไปด้วยความสะดวกฝืนทุกสิก่งทุกอย่างนั่นต้องเป็นเรื่องที่แนบสนิทจิตกันไปเสมอนี่เที่ย ว, ว่าเดินจงกรมไม่ใช่เดินเพียงช่วงระยะเวลาหนือชั่วโมงที่อสองชั่วโมงเท่านั้นก็หยุด จะกี่ชั่วโมงก็ตามก็เราทํางานจนเมื่อมันจะไปไม่ได้แล้วมันก็นรู้เองไม่ใช่คนตายเดินยังคงอยู่เวลานั้นเราไม่ได้ไม่ใช่เป็นคนตายเราเราเป็นคนเป็นๆ เ, เนี่ยทํางานอยู่ด้วยการเดินจงกคม ท, ทําละกิเลสนั้นจะนานได้เท่าไหร่เราอย่าไปถือเอาเรื่องเวลา ม, เล า, มาเป็นประมาณเพราะกิเลสมันไม่อยู่กับเวลามันอยู่กับหัวใจคน ถ้าไปกำหนดเรือเวลานั้นนั่นแหละจิ่เลดมันจะหัวรอกผู้บำเพ็ญด้วยวิธีการชนนี้ต้องพุทธาพยายามต้องอดต้องทนนี่เป็นความเพียรประเภทหนึ่งอนิยาบทเดินียาบทนั่งก็เหมือนกั น, น, นจะลาบากขนาดไหนพิจารณาจนให้เห็นเรื่องความถูก ในการที่ควรจะพิจารณาให้เห็นถัตธรรมจากการนั่งนานนั่งมากทุกมากเพราะการนั่งเป็นอย่างไรบ้างก็ให้ไปรู้ได้เห็นกันนี่เรื่องการประกรอบความเพียรประกรอบอย่างนี้จะเป็นิยาบทใดก็ต า, ามความเพียรในท่าใดก็ต่ า, ามต้องเป็นท่าต่อสู้ต้องเป็นท่าที่เหนียวแน่นมั่นคงอยู่ทุกท่าทุกวิธีการไม่ใช่ท่า ล, ละหละ่อแหลเหมือนจะห้องเหนเดินผ้าไปที่ไหน อทั้งๆที่ตนก็ไม่รู้เลยว่าความรู้สึกว่าจะห่อเหินเดินผ้าไปที่ไหนออกจากความเพีย่ยนปัณันเข้าในหลุมกิเลสให้หะะกิเลสต้มปุ๋นจนเปื่อยโดยไม่รู้สึกตัวนี่แหละพวกเราการประกอบความเพลี่ยนมันจึงไม่ถึงไหนไม่เป็นอะไรขึ้นมาได้ก็พราะมีแต่จะออกนอกรู่นอกทางอีก่เช่ น, นี้เองถ้าตั้งหน้าต่อการประกอบความภาคเปียนด้วยท่าต่อสู้จะเป็นอิเดียบทใดก็าตาม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 แต่ท่ายืนก็กลับแต่ว่ายืนท่าไหนก็ตามขึ้นชื่อว่าท่าความเพียรมันเป็นท่าเหล้วไหลยอยู่ในนั้นท่าเหลีวไหลยอยู่ในนั้นอย่างนี้จะให้ทิ่เล็มันร้อนตัวได้อย่างไรนอกจากมันจะหัวร้อนย่อเอาตลอดเวลาเท่านั้นและเราไม่ได้อะไรก็จะได้ตั้งแต่คําว่าเดินจงกรมคําว่านั่งสมาธิคําว่าตัวภาวนาอย่างนั้นอย่างนี้เป็นความหมายลมุมๆลุมแรงแรง โดยไม่มีเนื้ออัดเนื้อทาแฝงขึ้นมาพายในใจอ่จาอนเป็นผลประโยชน์จากความเพียรนั้นบ้างเลยมีอย่างนี้ใช้ไม่ได้นักปฏิบัติขอให้ท่านทั้งหลายเราทนี้พปจจรณาการประกอบความภาคเพียรของเราที่มันไม่ปรากฏเวลานี้เพราะเราไม่ได้ขุดให้ถึงน้ำที่ควรจะถึงตาน้ามันอยู่ลึอกอยู่ตื้นขนาดไหนขุดลงไปเถอยังไงก็ต้องเจอน้าน้ำ ย่อมมีอยู่ในแผ่นดินอันนี้นี่มรรคผลผนิพพานย่อมไม่ย่อมมีอยู่ในสาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรับได้ชอบแล้วนีหนีเป็นอื่นเป็ไปไม่ได้ขอให้ขุดลงไปตรงนี้อริยศาสตร์เป็นสําคัญมากที่จะแสดงตัวให้เห็นประจักในธรรมทั้งหลายเป็นขั้นๆั้นขึ้นไปจนกะทั่งมิมุดุดท้นจะหนีจากอริยศาสตร์นี้ไม่ได้เลยอริยศาสตร์คืออะไรก็ต้องทุกข์บ้างละสกคนเราอืม ไม่ทนกันได้ไม่ทนกันได้เลยต้องทนพิณิพิจารณาไม่ใช่ทนอยู่เฉยๆทุกมันเกิดขึ้นอย่างไรก็ให้ตามพิจารณาสมุทัยได้แก่ความคิดความหลอกลวงเหล่านั้นแหละเป็นสําคัญเฉพาะอย่างยิ่งหลอกในเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาคือในเวลาทําความเพียรถ้าเจ็บบ้างปวดบ้าง ก, กลัวจะล้มจะตายไปเสียลบปีกตัวออกไปเสียก็ว่าตนทนไผย น, นี่อย่างนี้ชาวบ้านเขาก็ทำกันได้เดินเหนื่อยเขาก็นั่งเสียพักเสียยืนนานมันเหนื่อยเขาก็พักเสียอะไรท่านอยู่ท่าใดที่มันเป็นทุกข์เขาก็เปลี่ยนท่านั้นเสียนี่เขาเปลี่ยนได้โลกเขาก็เปลี่ยนได้อย่าว่าแต่ท่าเราเปลี่ยนหาที่หลบภยัยอันไม่ใช่เรื่องนั่นหลอกคำม่าหลบภัยหลบที่ตรงไหนเนี่ย พิจารณาดูภัยให้เห็นชัดเจนไม่ต้องบอกก็หลบได้เรื่องภัยดีไม่ดีภัยหลบลเราชื่อซ้ำไปพิจารณาการประพฤติปฏิบัติต้องเอาจริงเอาจังทุกเกิดขึ้นมาที่ตรงไหนเช่นการนั่งภาวนาเมื่อมันทุกข์ขึ้นมาที่ตรงไหนให้จับจุดที่มันเด่นกว่าเพื่อนนั่นแหละเป็นสนามรลบเป็นจุดที่พิณิพิจารณาเราอย่า ก, กลัวตายเราอย่าอยากให้ทุกข์นี้หาย คำอยากให้ทุกนี้หายมันเป็นสมุทยทุกที่กำเริบสื่อสารมากขึ้นเดือนแบบแล้วถอยจูดไปไมก่ก็เอาทุกจะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรก็เกิดเถิดเรื่องของทุกข์เป็นเรื่องของทุกไม่งั้นท่านไม่เรียกสัจธรรมถึงเวลาตายจะทุกถึงขั้นตายทําไมเราจะทนได้สัตว์โลกทุกรายทนทุกจนกระทั่งถึงถึงวาระสุดท้ายคือตายด้วยกันเท่านั้นเหตุใดเวลานี้เราไม่นั่งเพื่อตาย เรานั่งเพื่อหาเหตุหาผลในวงสัจธรรมให้ได้ความจริงขึ้นมาภายในจิตใจั้งเหล่านี้เท่านั้นทําไมเราจากตัวตายนะพิจารณาลงไปในจุดที่เป็นทุกข์มากเอาหากมีจุดหนึ่งจนไดนในสกุลนาคาของเราขณะที่เรานั่งมากเช่นกระดูกกระดูกอะไรนกระดูกหวัวข่าวเป็นต้นมันทุกข์ที่ตรงไหนทุกจุดไหนเอาจุดนั้น พินิจพิจารณาเรื่องทุกข์จะหายหรือไม่หายอย่าไปยุ่งขอให้ทราบความจริงของทุกข์นี่ว่าอะไรเป็นทุกข์กระดูกเป็นทุกข์หรือเพราะว่ากระดูกเป็นทุกข์หรอจิตจาะลงไปที่กระดูกตรงที่ว่าเป็นทุกข์นั่นแหละสติจาะลงไปตรงนั้นความรู้สึกเจาะลงไปตรงนั้นแล้วดูทุกข์ให้ชัดเจนด้วยสติแล้วแ ย, แยกจากดูทุกข์แล้วดูกระดูกให้ชัดเจน ว่ามันเป็นอันเดียวกันใหม่ถ้าว่ามันเป็นอันเดียวแล้วคนตายแล้วกระดูกยังมีอยู่นี่มันเป็นทุกข์ไหมเอาแบบเผาไฟหรือขวางทิ้งที่ไหนมันมันบ่นมันเจ็บไหมนั่นไม่ได้บ่นไมาเจ็บนี่แล้วแล้วแล้วทำไมว่ากระดูกเป็นทุกข์ล่ะมีแยกกันเอาที่นี้จิตเป็นทุกข์ไหมถ้าว่าจิตเป็นทุกข์ทุกนี้ดับไปแล้วจิตดับไปด้วยไหมนั่นแยก่ยให้เห็นถ้าตื่ การแยกแยะไม่ใช่เราจะแยกแยะเพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวเป็นตรุมบอลสับสนวนเวียนกันอยู่นั่นด้วยสติด้วยปัญญาจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นชัดในทุก์ในอวัยวะที่สำคัญว่าเป็นทุกเช่นกระดูกเป็นต้นและในจิต ที่ไปให้ชั้นความสําคัญเขาได้แี่สัญนยาสําคัญว่านั้นเป็นทุกข์อันนี้เป็นทุกข์ย้อนกลับมา ก, ก็คือเราเป็นทุกข์เพราะความทุกข์มากลและแยกแยกกันดูอย่างนี้ดูให้เห็นชัดเจนไม่ถอยเรื่องสติปัญญามีเท่าไหร่ให้ทุ่มลงไปในจุดนั้นไม่ต้องการความหายไม่หายของเรื่องทุกข์แต่ต้องการความจริงที่จะปรากฏขึ้นจากการพิจารณาให้เป็นสัจธรรมประจักษ์ใจของเรานี้เท่านั้นนี่ คือการพิจารณาเรื่องทุขนี่แหละคือการประกอบความเพียนถึงววละที่จะควรทําเช่นนี้ก็ควรจะให้มีนักปฏิบัติเราอันนี้นั่งก็นั่งอย่างนั้นตั้งแต่วันบวชมาก็นั่งแบบที่ว่าทะเอถลไหลนั่นแหละเดินก็เดินแบบทะเอทลไหลจะทําวิธีการในเรื่องความเพียนในท่าใดแบบใดก็ตามมันเป็นเรื่องทะเอทลไหลให้กิเลสลากออกไปลา ก, ออกไปวันหนึ่งวันหนึ่ง ทำความเพียรไม่ได้เรื่องเนรามันจะได้เรื่องอะไรมันมีแต่เรื่องของเฉลี่ลากไปถูไปถ้าหลอกบอกเปิดทั้งมันทั้งคืนธรรมะไม่ปรากฏในใจิตใจเลยเช่นอดทนเนี่ยสติปัญญาไม่ปรากฏในตัวเองแล้วจะหาทำความจริงขึ้นมาจากที่ไหนเมื่อทำความเพียรดังที่เป็นมาอย่งนี้ไม่เห็นอะไรอยู่เรื่อยมาหลังนี้แล้วเรายังจะนอนใจทําอย่างนี้อยู่ต่อไปหรือ ทำไมจริงไม่พริกไม่แพงหาเหตุหาผลหาต้นหาปลายคุ้ยเคี่ยกขุดคน้นหาความจริงจากสิ่งที่ปรากฏอยู่นี้มีทุกเป็นต้นบ้างละมันเป็นยังไงหัวใจของเรานักปฏิบัตินี่ที่มันถอยหลังถอยหลังถอยลงไปเรื่อยๆทาความเพียรก็สักแต่ว่าสักแต่ว่ามันหนัก อ, อกจะตายแล้วนะผมผู้เป็นหัวหน้านีการ อธิบายให้หมู่เพื่อนฟังทั้งหลายนี้ล้วนแล้วตั้งแต่ได้สมบุกสมบันได้ผ่านเป็นผ่านตายมาแล้วด้วยตัวเองทั้งนั้นไม่ใช่นำมาพูดอย่างโก้เกลอย่างโอ้อวดเพื่อนฝูงใช้เฉยๆนะแล้วเป็นความจริงทั้งเหตุที่บำเพิญมาด้วยทั้งผลที่ประจักษ์ด้วยเป็นสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือความเพียรตลุมบอลกันดังที่ว่านี่แหละนะกิเลสจะหนาแน่นบนเขาใจก็ตามเถอะในขณะนั้นจะเบิกกว้างออกหมด ั่งเหลือแต่จิตผู้รู้รู้อยู่ด้วยความอัศจรรย์ของตนในขั้นนั้นเท่านั้นแล้วลืมไม่ได้นี่ยเรีเยก ว, ว่าคุดค้นหาธรรมให้ถึงความจริงของธรรมขึ้นมาทุกจะทราบชัดเจนมากเป็นเพียงอันหนึ่งเท่านั้นไม่ปรากฏว่าได้เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใดเลยนั่นจึงว่าทุกของอังอริยสัจจ์ทุกเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้น ไม่มีความหมายในตนเอนและไม่ไปให้ความหมายแก่ผู้ใดและไม่ไม่ได้มีความรู้สึกตนว่าได้ไปใ ห, ใ, ให้ทุกข์แก่ผู้ใดเช่นให้ทุกข์แก่กระดูกเป็นตน้นที่เราสําคัญว่ากระดูกเป็นทุกข์ทีนี้กระดูกก็แยกลงไปอีกเช่นเดียวกันก็รกระสับแต่ว่ากระดูกมีมาตั้งแต่วันเกิดแม้ทุกข์นี้จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นกระดูกก็มีอยู่แล้วเวลาทุกข์นี้ดับไปกระดูกก็ไม่เห็นดับไปด้วยกระดูกก็เป็นกระดูกนั้นอันนี้ก็เป็นความจริงอันหนึ่งนี่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 จะเมื่อมันทราบจค่ครั้งหนึ่งเท่านั้นแหละแล้วปักลงอย่างลึกที่เดียวไม่มีคําว่าถอนความจริงอันนี้ความอัจิจิตรอันนี้เมื่อได้เจอแล้วในขณะ น, นี้แม้วันหลังคราวหลังจะไม่เป็นก็ต า, ามความรู้ความเห็นประเภทนี้วิธีการประเภทนี้ที่เคยดําเนินมานี้แล้วจะไม่มีวันถอนเลยนั่นจึงแบบเป็นความจริงอีกประเภทหนึ่งไม่ใช่ความจําเป็นความจริงสังลึกถ้าเราจะพูดให้มันเต็มปากก็ถูก ฝังลงในขั้ขวหัวใจไม่มีวันถอนเลย น, นี่ละการประกอบความภาคเพือนเราคุยเฉียวคุดคน้นให้มันเห็นเหตุเห็นผลบ้างที่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายทำไมจึงเดินจงกรมเจาะเยาะทำความภาคความเพลินเจาะเย่ะไม่ได้เรื่องไน้ลาวก็อยู่กันไปอยู่กันไปทำไมอยู่ได้ทำไมไม่มีความมิตตกพิจาร์ตนเองบ้างไม่รำพึงตนเองบ้างว่าอยู่อย่างนี้มันเป็นยังไง มันผิดกับโลกเขาอยู่กันยังไงบ้างมันมีความหมายอะไรความเพียรก็เดินจงกรมหยอกนั่งสมาธิก็งัวงเงาเข้านอนมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสเข้ากรมอยู่ตลอดเวลาหาความหมายหาที่ยึดที่เกาะภายในจิตใจกับธรรมทั้งหลายไม่ได้แล้วเราอยู่ด้วยเหตุผลกลไกลอะไรเรามีหลักมีเกณฑ์อะไรพอที่จะใช้เป็นความความอบ อ, อุ่นภาย น, นจิตใจของเราไม่มีว่าอย่างนี้เลยต้องหาให้มีสิ ทำผมบทริเจ้ามีอยู่สดสดร้อนๆ้อนก็เคยพูดไม่รู้กี่ครั้งกี่หนสาธรธรรมหรืออญญายัดสีพาในการในใจของเรานี่แหละคือตลาดแห่ ง, งมรคนิพพานก็พูดดูแล้วตลอดเวลามามโกหกหมู่เพื่อนยังไงก็พูดเอาความจริงออกมาพูดแท้ๆความเป็นๆนั่งนั้นแท้ๆเอาความจริงออกมาพูดเนี่ยแล้วทําไมมันจริงไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้เรื่องรุ่ล้าอะไรเลยเดินอย่างกรมก็เดินมาตั้งแต่วันบวชจนมาตั้งปั่นี้นั่งสมาธิภาวนา ก็เคยนั่งมามันก็นั่งแบบนั้นแหละแบบเละหละเ่เแหล่ๆไหลๆโลเลโลกเล็กดังที่เคยเป็นหมามันตึงได้ทั้งแต่สิ่งเหล่านี้มาเต็มเนื้อเต็มตัวเต็มใจอยู่ก็อยู่แบบนี้นั่งก็นั่งแบบนี้เป็นอยู่ก็เป็นแบบนี้เวลาตาไปก็จะตายไปแบบนี้หามากผลนิพพานอันยิ่งเจริญโสดังวุฒิย่าทรงสอนไว้ด้วยพระเมตตานั้นไม่ปรากฏภานในจิตใจเลยเพราะถูกที่เหลือหลอกหลอนต้มตุ๋นโดยที่เราไม่รู้กลมายาเข้ามันตลอดมาอย่างนี้ มันเป็นยังไงเพื่อนฝูงที่มาอยู่กับผมนี่ผมหนักไม่ใช่เล่นนะตัว น, นี้หนักหลายด้านหลายทางซะด้วยผมไในทนอยู่กับหมู่กับเพื่อนนี่ยังว่าดีนะผมจะดีดออกตัวออกไปเมื่ อ, อไหร่ผมดีดได้นะผมไม่ได้ห่วงอะไรผมพูดจริงๆผมไม่ได้โอ้ได้อวดไม่ได้คุยเสียดายอะไรโลกธาตุนี้พิจารณาจนรอบหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันมีตั้งแต่สิ่เหล่านี้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 จิตดวงนี้ต่างหากกับเพื่อนฝูงที่ได้มาอาศัยอยู่กับผมผมไม่ได้ห่วงอะไรนะักเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่มันขัดข้องกับธรรมยาเอามาจีดมาขวางธรรมยามาเหยียบย่ําทําลายหัวอกของผมที่ได้แนะนำสังสอนหมู่เพื่อนด้วยความเมตตาผม อ, อกจะแตกท้งหนะักขอให้หมู่เพื่อนได้เห็นใจอันใดที่มันเป็นภัยก็รู้แล้วว่ากิเลสมันเป็นภัยมาตลอดเวลาทําไมเดี๋ให้มันอาจฐานก้ า, าหารเข้ามาตีตลาด ในวงพระในเฉพาะมะกรรมฐานของเราด้วยแหมมันพิรุกึกกือเหลือเกินน่ะถ้าหลดสังเวชถ้าว่ามันพออกแตกมันอกแตกได้จริงๆร่ะพิจารณาสิสอนแทบเป็นถทบตายผลปรากฏออกมาเป็นนักเป็นผีออกมาเนี่ยเป็นยังไงไม่ใหเป็นอดเป็นธรรมเลยพิจารณาสิเจ้าของพิจารณาสิผู้เป็นใครเป็นเป็นต้องพิจารณามันเป็นด้วยกันนั่นแหละไม่มากก็น้อย อาพิจารณาที่สี่เรืงนี้ถ้าว่าผมเป็นผู้โกหกหาเรื่องใส่หมู่เพื่อนมันเป็นอย่างไงมันเป็นไหนสิ่งเหล่านี้มันมันทําอะไรให้เรานอกจากมันจีดมันขวางหัวใจให้ก้าวไม่ออกเกินไม่ได้อยู่ไหนก็ขวางหมดถ้าลงมาในขวางหัวใจแลนลแสดงอากาศพิยาอะไรออกไปมันขวางหมดขวางหมดขวางทั้งโลกทั้งสันไม่มีใครขวางก็ขวางตัวเองอย่างนั้นมันเป็นของดีหรือขวางตัวเองเหยียบย่นทตลาดตัว อ, อื่นเช่นนั้น มันน่าจะพิจารณาที่ทําังไงการสอนเรื่องความภาคความเพียรก็สอนมาอย่างนี้นี่แหละคือความเพียรเพื่อเห็นเหตุเห็นผลต้องคิดแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายขมสิผู้ปฏิบัติมาอยู่ทื่อๆอยู่เฉยๆอยู่แบบเซ่อเซ่อซาซามันก็เป็นเรื่องของจิตเล็ทั้งมวล น, นั่นแะ่ะคือสอนคนให้เซ่อกล่อมคนให้เซ่อกล่อมผู้ปฏิบัติให้เซ่อเซ่อซาซาถ้าเป็นธรรมแล้วจะไม่เซ่อวันนี้ประกอบความเพียรอย่างนี้เป็นอย่างนี้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 กล้าไม่กล้าข้อสุจริมันสิทอดทอแท่เลยหลายให้เป็นไปตามเรื่องของกิเลสทางนั้นนี่นะ่ะมันไม่ได้เป็นไปตามธรรมเรายังยินดีอยู่เหลอการเราเคปฏิบัติเป็นอย่างไงนี่มันน่าคิดอยู่มากนะเพราะการอบรมสั่งสอนหนูเพื่อนมันอบรมมานานมันน่าจะได้เทียบได้เทียงมาแล้วแล้วน่าจะได้นามาพูดเช่นอย่างพูดอยู่วันนี้แต่ก่อนก็ไม่เคยพูดแบบนี้นี่มันอดไม่ได้ เพราะมันพบมันทวนพิจนาจนอกมันจะแตกอกจะแตกแล้วเวลานี้เดี๋ยวก็หมูกับเพื่อนเนื่องจากว่าเราดําเพนมาอย่างไรนี่อันหนึง่งมันอดที่เอามาเทียบเทียงไม่ได้เพราะเป็นแนวทางที่ถูกต้องในงามพอหมู่เพื่อนจะนําเป็นไปเป็นคติถึงข่าเด็ดควรจะได้เด็ดถึงขาวจริงควรจะได้จริงถึงข่าวอาขาดตะขาดควรที่ให้เป็นเป็นเรการประกอบความเพียรของแต่ละลายลายในบางค้าง้งบางข่าวถ้าไม่หนักแน่นไปตลอดก็ดี แต่เมื่อถึงขั้นที่ควรจะหนักแน่นาตลอดไม่ต้องบอกเป็นเองขั้นนั้นแล้วเป็นเองดังที่เคยแสดงให้ฟังแล้วขั้นล่มลุกคลานขํามตะเกี่ยวบตะการต้องตะเกียบตะการทีขั้นเด็ดต้องเด็ดขั้นทนต้องทนไม่ทนไม่ได้เราจะอยู่อย่างนี้อยู่นี้ไปมันก็เป็นอย่างนี้แหละมีอะไรวิเศษในหัวใจของเราวันหนึ่งมันคิดเรื่องอะไรเรื่องเหล่านั้นมันเคยคิดมาขี่ข้างขี่หงแล้วมันอะไรมาให้เราวิเศษวิโสพอที่จะเคืองกับมันจนลืมเนื้อลืมตัว เรืมความภาคความเปลี่ยนให้สติไม่มีในหัวใจเลยเป็นยังไงเนี่ยมันจีรจางไหมหัวใจถ้าเป็นไปกับกิเลสแล้วมันจีรจังไหมน่าเป็นแล้วจะเรียกว่ามันกล่อมดีไหมกิเลสพิจารณาสิมันละเอียดแ้ลมคงขนาดไหนเราไม่ทันมันเลยไม่รู้ตัวเลยจะว่าอย่างไงถูกมันกล่อมตลอดเวลาเราไม่รู้ตัวแต่ว่าเราฉลาดอยู่เหรือเราเรียนให้ปฏิบัติให้มันถึงมันสิเมื่อถึงนะมันจะรู้เพีงของกิเลสกิเลสขนาดนั้น ขนาดไหนแบบใดเพลงใดมันจะมีความละเอียดแหลมคมมีความแยบขายของมันอยู่ในนั้นในนั้นในนั้ น, น, น, นทุกแขนงของกิเลสที่แสดงตจวงมามันจึงได้ครองโลกครองหัวใจของสัตว์โลกถ้ามันไม่มีความละเอียดแหลมคมไม่มีความแยบขายอยู่ในแขนงแห่งการแสดงของมันแล้วทําไมโลกจะไม่เห็นโทษของมันมี่จนกระทั่งถึงไม่เห็นเลยนี่ไม่ว่าใครก็ตามมีหน้ำท่านพระกติีจามักประกาศ ธ, ธรรมะ กังวานอยู่เช่นปัจจุบันนี้ก็ได้สองพันห้ารอยปีมันยังไม่รู้เรื่องรู้ราวมันยังไม่ไม่ตื่นเลยจะว่ายอย่างไงนาขนาดไหนพวกเราแล้วกิเลสเต่งขนาดไหนเอามาเทียบกันสิพิจารณาสิแล้วมันยังจะติดไปอีกเป็นไปอีกอย่างนี้ตลอดเลวละถ้าไม่เอาทําเข้าไปตบไปต่อยไปตีไปขุดไปค้นกันแล้วยังไงก็จะไม่เห็นโทษของกิเลสแม้นิดหนึ่งพาในหัวใจนี่เลงเนีย่ยแล้วก็จะแบกไปกิเลสไปอีก่ะ มันมีเยียบหัวใจไปเกิดในภพนั้นภพนี้ภพไหนภพไม่ทุกนี่เหรอฟังแต่ว่าเกิดเกิดชาติปิสุกขาท่านว่างไงท่านท่านบอกไว้แล้วหรือท่านบอกไว้เด้วยหรือว่าชาชาติปิสุขขามีไหมชาลาปิสุขขามีไหมฟังสิท่านบอกจริงใดท่านเป็นยังไงท่านก็บอกตามความจริงเะเกิดเป็นทุกข์ไงี่ยถ้าไม่บอกว่าเกิดเป็นสุข พอท่านเคยเกิดมาแล้วถ right? ้าเป็นสุขท่านท่านก็จะได้บอกว่าเป็นสุขมาแล้วพวกพุทธเจ้านี่ก็เห็นภัยมาแล้วในจินตความในความเกิดทั้งหลายถ้ามันเป็นทุกข์เป็นทุกข์จะน่าประกาศสอนพวกเรากังวานมาอยู่กี่ปีกี่เดือนแล้วในแบบในแผนตำลับตำรามีแต่ความจริงที่ออกจากพระทัยพรกพุทธเจ้าซึ่งกังวานอยู่ในตำลับตำลาตลอดเวลาอยู่เล้อ่านเข้าไปก็กกก็ังวานถ้าอ่านด้วยความสนใจอ่านด้วยความปิ๊นิปิจนาแล้วจากกังวานออกมาขัะเทือนหัวใจเรากระเทือนหัวใจเราถ้ตลอด ไม่ว่าจะได้ยินได้ฟังอะไรด้วยความสนใจใคาจ่ายอัดค่ายทำอยู่แล้วยังไงก็จะต้องกระเทือนเข้ามาในหัวใจหัวใจให้ได้เห็นเหตุเห็นผลรู้โทษ ร, รู้กรรมของมันว่ามันทํากรรมทําเวรเกี่ยกับเราขนาดไหนจิตเด่นนั่นพีจนราถ้าไม่เอาจิงจริงจริ ง, จ, งจะไม่เห็นนะเนี่ยกลุ่นอุบาต่างๆของจิตเด่นที่มันกล่อมเฉพาะอย่างนี้กล่อมหัวใจเราแต่ละดวงๆซึ่งเป็นหัวใจของนักปฏิบัติกรรมาฐานที่เขานับถือด้วยนะเวลาเนี่ยเขากําลังนับถือ กรรมฐานเฉพาะอย่างยิ่งสายหลวงปู่มั่นพระอีสาเนี่ยแล้วไอกิเลสมันกล่อมนี่มันสมเหตุสมผลแล้วเหล่าไอ้กิเลสมันทะหลุงอยู่เนี่ยถ้าใครก้าเข้ามามองเห็นด้วยตาแล้วเห็นแต่กิเลตทะหลุงพระติ่งไปติ่งมาอยู่งั้นเฉพาะอย่างยิง่งถ้าวัดตาบวัดตากเกื่อนอยู่เหมือนกับขอนซุงเต็มวัดเต็มว้วามีแต่กิเลตทะหลุงองติ่งไปติ่งมาเนี่ยใครยุจ ะ, จะจะดูได้ไห ม, มคน ทั่วประเทศไทยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับว่ตบตาต่อบรรดาลนีดูได้ไหมเห็นตนั้งแต่พระเน้นในว่าต่อบันตานี้เป็นขอนสูงให้กิเลสไปะไปถีบมายันไปยันมากริ้งไปกิ้งมันยู่ทลุไปตลอดเวลาอยู่ยางนี้ไม่มีเวลาที่จะมองเห็นยับหนึ่งว่ากิเลสได้ต่อยธรรมะนักปฏิบัติกรรมาฐานว่าต่บันตาได้ต่อยกิเลสพอให้กิเลสมันสะดุ้งบ้างไม่เห็นมีเลยอย่างนี้แปนยังไงมันกุ้มค่ากันไหม เรามาคิดบ้างที่สิ่งเหล่านี้มันเป็นความคิดที่จะเกิดประโยชยน์จากตนไม่ต้องคิดเพื่อจะแกบพิษแก้ภัที่ไม่เขาเห็นความตกรถสังเรตอะนัก็าตามเถอะมันจะเป็นภยัยเป็นประโยชน์จากเราเนี่ยโดยไม่ต้องสงสัยนะการคิดอย่างนี้เพื่อเป็นประโยชน์จากเราเมื่อมันเป็นประโยชน์จากเราใครไมาเห็นก็รู้ความเป็นมงคลทั้งนั้นแะ่ะตามีหูมีรู้กันดีชั่วประการใดลู้กัะ น, นี่มันไม่ได้มองเห็นด้วยตาเนื้อเฉยนะเนื้อนั่นจะไม่ได เกิดความสล ด, ดสังเวชมาปรุงมาทมาสังเวชภายในวัดต่อบ้านตากเราเรายังจะเพลินอยู่หรือยังจะภูมิใจอยู่หรือแม้เราเป็นพระกรรมฐานไม่ได้คิดบ้างเหรือว่าเราแพ้กิเดลสมาวันย่งางค่ำคืนยังรุ่งเลื่อยมาตั้งแต่วันบวชจนกระทั่งบัดนี้ไม่มีการชนะมันมาโดยลําดับลําดับเลยเป็นยังไงนักปฏิบัติเราถ้าผู้ปฏิบัติจะจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แล้วต้องพ้นทุกข์แล้วต้องต้องชนะเรื่อยมาชนะเรื่อยมาเป็นลําดับลําดับ แล้วขนาดกิจที่มันแสดงออกมาแต่ละครั้งละคราวจะเป็นแสดงในการต่อสู้แสดงในการหลบดีปิด ต, ตัวหรือหลบซ่อนหรือพลิกแพงแตแปล ง, ปล ง, ปลงหลายสารพันคมที่ต่อยกับกิเลสนั่นนักปฏิบัติให้มันเห็นในขั้นบ้างสินี่มองไปที่ไหนอมองไปเมื่ อ, อไหร่มองดูเมื่ อ, อไหร่มีตัวกิเลสถลุงพระถลุหัวใจของพระกรรมาฐานมันสะลดจงเลส จ, จะตายไ ป, ปะไระมาณนี้นะใช่ว่าไงได้พรกันคิดยังไงบ้างหรือหรือไม่ แพ้มันมาเท่าไหร่แล้วบวชมากี่ภรษาตั้งหน้ามาปฏิบัติกีปีแล้วแพ้มันมาเท่าไหร่ยังไม่รู้จุดตัวว่าแพ้อยู่หรือเวลานี้หรือเรายังภูมิใจอยู่หรือเราชนะอะไรชนะรมรวมแรงแรงที่ไหนเนีมันไม่มีอะไรที่ช น, นะนอกจากชนะรมรมแร ง, งแรงเฉยๆภูมิใจรมรมแรงแรงไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยมีรูไหมอันนี้คนอันนี้ก็เป็นคนหนึ่งของกิเลสถ้าเราต่อยเงาต่อยอะไรแบบนั้นต่เงาต่อยเงาไปตัวที่เห็นจริงไม่เห็นมันอยู่ที่ไหนมันรู้นี่เรารู้ยงอย่าง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 มันฉลาดขนาดไหนมีนําเรื่องมาของกิเดียดที่มันฉลาดมาให้ฟังนอกจากนั้นก็นําเรื่องความโง่ของเราให้ฟังอีกและนําเรื่องความฉลาดให้ท่านจิเดีดมาให้ฟังอีกจะหาฟังที่ไหนอีกท่านทั้งหลายจะหาฟังที่ไหน<ม>การปฏิบัติก็ปฏิบัติเวลาโง่ก็โง่งที่สุดเขเคยพูดให้ฟังแล้วเอาตัวยืนยันเลยใครจะว่าบ้าก็บ้านี่เพราะความเมตตาสงสารเพื่อนให้เห็นเหตุนห็นผลเป็นความจริงขึ้นมานั่นเองถึงได้พูดถึงขนาดนี้เวลามัน สติปัญญาความเฉลียวฉลาดมันกระดิกตัวขึ้นมากระดิกตัวขึ้นมาจนกระทั่งถึงขั้นเพียงไกลทันกิเลสประเภทต่างๆโดยลําดับลาดานทันแล้วฆ่าด้วยฆ่าด้วยเขาเลยไปโดยลำดับลำดานนี้ก็ได้กพูดพูดให้ฟังจนขนาดถึงว่ากิเลสโผล่ขึ้นมาตัวไหนอยากคอขาดถ้าเป็นคอมีคอก็คอขาดคอขาดโผล่ขึ้นมาถึงขนาด น, นั้นะเมื่อถึงขั้นเพียงไกลของสติปัญญาที่ทา่านอุบางจะเลส มันถึงขนาดนั้นฟาถ้ามันม้วนเสือลงไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วอะไรมากรีดมาขวางอะไรมาแสดงคนมายาให้กิีดนี่กินไปกินมาเหมือนลูกพูดบอลนั้นมีไหมที่นี่มันไม่มีเขาจรู้ว่ามันไม่มีทีเมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็จะสรุปลงได้ความว่ามีกิเลสเท่านั้นที่มาก่อขวนมาอายุเหยื่อมาทำลายให้รับความทุกข์ความลำบากที่ปลอดมาจนกระทั่งตอนนี้และยังจะเป็นไปอีกหาที่มีไม่ได้เลยไม่มีอะไรนอกจากเหยืเท่านั้นน่ก็เมื่อมันหมดจากหัวใจแล้วมันก็รู้ชัดเจนที่นี้อุบายของกิเลสมันใช้ ใช้คนใดอุบายใดขแขนงใดที่เคยเป็นความแ ย, ยบคายมามันพังไปหมดพังหมดด้วยอำนาจของธรรมที่เหนือกว่าเหนือกว่าไปแล้วนี่ก็ได้มาพูดให้ฟังแล้วทำไงอีกย่ายผมทําอะไรอีกมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างได้พูดให้หมูเพื่อนฟังแล้วก็ยังไม่ได้หน้าได้หลังอะไรเลยทําไงมันไม่ไ ม, ไ ม, มีไม่มีเคล็ดมีรับอไม่มีทุ่มมีโมงบ้างเลยเป็นอะไรไม่ได้เรื่อง ค่าวที่ควรจะเด็ดไม créer, ่เด็ดคนที่ใช้จิตปัญญาให้มากไม่ใช้คนที่ใช้ความอดความทนให้มากไม่ใช้ทำไงมีแต่ให้กิเด็ดมันเด็ดเอาเด็ดเอาดัดเอาเด็ดเอาตลอดเวลาความเด็ดมีแต่เรื่องของเกศทั้งนั้นทำไม่ได้เด็ดมันเลยทำยังไงเราไม่อายเราบ้างเหนือกินเด็ดอีกหนึ่งหัวใจเราเราไม่อายหัวใจเราบ้างเหนือกิเด็ดอยู่ในนั้นมีแต่แพ้ตลอดเวลาเรายังภูมิใจกับความแพ้งเราอยู่เหนอแล้วเราจะเป็นไปได้ความแพ้ภูมิใจไปได้ความแพ้กินเด็ดนี่เหนือ ในระยะต่อไปในวันขณะต่อไปนี้แล้ววันพรุ่งนี้วันมะรืนจนกระทั่งถึงวันเราตายเราจะหวังความภูงใจในการแพ้กิเลสโดยไม่รู้สึกตัวอยู่อย่างนี้หรือเอามาคิดบ้างสิสติปัญญามีนะกิเลสนี้มันเอียบมาทั้งเท่าไหร่แล้วมันนักเคยให้คุณแกผู้ใดผู้ลี้จ้าทุกๆุกวงสอนว่ากิเลสเป็นภัยทั้งนั้นทําไมเราจึงให้มันเก่อมีตลอดเวลาไม่รู้สึกตัวเลยมันเป็นยังไงลูกศิษยาทศกัณฐะมันไม่เกินไปแล้วเหรือที่นาสินี่มันอกจะแตกกันนะ ถึงขั้นที่ควรจะเด็ดบ้างไม่มีเลยการประกอบความภาเขียนให้มันมีนี่เหมือนเขาเดินทางการเดินทางทางที่ราบลื่นมันก็มีครุข่าก็มีเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นเหวเป็นอะไรมีมีมีไปเดินลำดับลําับก็ก้าวไปเดินไปจนกระทั่งถึงผ่านพ้นไปได้นั่นเมื่อก้าวไม่ถอยเอาทางอยู่ที่ตรงนี้เอาโคดก็โคดรอ้อมก็อ้อมเอาครุข่าครุข่าเป็นหลุมเป็นบ่อเ้าวหลุมบ่อก็หลุมบ่อทางอยู่ที่นี่มันหาทางขีดทางแม่ไม่ได้จะทําไมแม้ก็ไปนุ่งก็เป็นดวงเป็นป่า เป็นภูเขาเอะแวะไปไม่ได้ก็ไปตามทางทางนี้นั่นก็เหมือ น, นกันที่การต่อทุกขกิเลสไปทางไหนมันมีแต่ตงหนาป่าทึชของกิเลสทั้งนั้นตรงนี้ช่องนี้พอที่จะไปได้คือช่องแห่งความเพียนช่องแห่งสติช่องแห่ ง, อ ง, องปัญญาที่พระเจ้าสงประทานใบนี้มีเป็นช่องทั้งนั้นเนี่ยไปได้ตรงนี้ทําไมไม่ยอมไปแล้วตาอยู่ต้องสองภาคทางให้มันถลุงอยู่นั่นเป็นยังไงกรรมฐานเหล่าหนี้ความเพียรต้องอย่างนั้นเลย ม่อย่างนั้นจะตายที่งเป่านะ่ะผมไม่อยากพูดอย่างอื่นมันไม่ถึงใจถ้าตายที่มะเป่าแล้วเหมาะกับความเปลี่ยนของเรากับสติปัญญาของเราที่เป็นอยู่อย่างนี้อันไม่มีทนันยับหนึ่งก็ไม่ทันที่เล็ดเลยนี่มันก็ต้องพูดอย่างนั้นมันเหมาะกันเอาไปคิดสินี่แท่านเรียกว่าความเปลี่ยนดังที่กลาา่าวมันถึงเวลาเด็ดต้องเด็ด นี่อะไรก็เรื่อยๆเรื่อยๆเฉยๆไปน่ะเดินก็สักแต่ว่านั่งก็สักแต่ว่าไม่ได้เรื่องอะไรคนรู้มาอะไรที่ได้จากการเดินการนั่งที่ว่าความเปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้างมันก็ไม่ปรากฏเปล่าไม่ปรากฏมีแต่สิ่งที่มันเคยหนาแน่นอยู่นั้นหนาแน่นไม่ไ ม, ม่ได้บกพองแม้แต่นิดนึ่งเลยนิดหนึงเลยแล้วยังภูมิใจไว้ได้นี่ว่าไงนี่ที่มันา่าทุเรศ ม่ทําอย่างนี้ไม่ได้น่ะความเพียรมันต้องมีบทมีบาตรที่จะทุ่มกันเป็นระยะระยะระยะอย่างนั้นผู้ประกอบความเพียรเป็นยังไงก็เอาทุกขนาดไหนจะเอาทุกนี่เป็นหินรับปัญญานั่นอมันเห็นชาันมันเห็นจริงๆริงนี่นะเฮ้อไม่เห็นจะมาคุยได้ไงนี่มาเทนูเพื่อนนี่ผมคูยจริงๆริงเห็นแล้วจะมาพูดนี่นะแต่ว่าไงใครจะว่าผมบ้าก็ผมก็มยอมรับแล้ว อยอมรับโดยโดยที่ว่าบ้าแบบนี้นะอของมันเป็นนั่นทำพุทธิาเป็นของจริงปฏิบัติตามนั้นทําไมไม่จริงเอุทวิาสอนให้รู้แทร้รู้แล้วทําไมพูดไม่ได้วะเอแ ต, แต่ไม่รู้ก็ยังบอกว่าไม่รู้เนี่ยโง่ก็บอกว่าโง่เวลามันฉลาดจะไม่ให้พูดได้บ้างเหรอมันเป็นยังไงหรือไอ้ที่มาปิดปากแล้วพูดไม่ได้เหรออออือมันเห็นมาจากในใจของตนที่มันเปิดเผยหมดแล้วเป็นยังไงโลกถานตุนี่ไปยังไงเรื่องของกิเลสนี่ น, นเอามันยังนั้นทิ่ฟานมันจงกระทั่งที่กุศลาธรรมะเอาให้แหลกหมดอยู่ไหนสบายทั้งนั้นอ่าจิตใจจิตวิญญาณในโลกนี้มีเท่าไหร่ที่ถูกกิเลสมันบีบังคับตลอเวลาีิตของเราดีดผึงออกแล้วเอากิเลสมาเป็นอะอาหารว่างโดยช้าไปนั้นน่ะเป็นยังไงท่านเห็นที่พระพุทธเจ้านี่มีแต่พวกมีแต่องคที่เอากิเลสมาเป็นอาหารว่างเท่านั้นแต่กว่ามันเป็นไื่เวลาเอามันได้แล้วก็ประ ก, กาศ มือนก็อาประจานให้โลกเหน็นอายรีบมารีบมานะทศกคลได้เป็นมาแล้วเรื่องอนี้ไม่สงสัยไม่สงสัยทศกุลได้พาดําเนินมันอย่างนี้นี่ให้ดําเนินตามสถาคลที่สอนนี่นะนี่คือทางแทวคาดปลอดภัยคือทางที่จะพ้นทุกข์ภัยในในไม่ช้านี้เป็นอยงนั้นที่ว่าสวดคาถธรรมสวดธรรมตัดได้ชอบแล้วดีแล้วตัดไว้อย่างนั้นนะัะไม่ผิดเอาเอเอให้ดีนะเอาให้ดีนะยาไปทางอื่นนะทุกยาลําบากขนาดนั้นเอาากล้าตามทศกคลนี่นะทศกุลเคยเคยลําบากมาแล้วถึงกั้นฉละ ภาษากดังไม่ถอยเอาจะไปทั่งเลยับสรูนี่ยาถอยนะน่ความหมายเหมือนอย่างนั้นดีท่านสอนสถกดร้อนๆอ น, อนันพิจารณาสิผู้ปฏิบัติมนาธรรมมุเจ้าไม่มีอะไรเป็นการท้าทายิ่งใหตลอดเวลาถ้านำมาใช้เถอะอยังไงก็ยิ่งใต้องพังให้สงสัยมีแต่ให้ความเพียนพังงไอ้มันเคยเห็นกรยดยินมาพอแล้วทั้ง ทั้งเราใครทั้งใครต่อใครก็ตามไอ้เรื่องอังกิเลียเอาความเพียรพังเนี่มันช่วยกันทั้งนั้นแหละไอ้เราเอาความเพียรนี่เอาพังกิเลียนนัมันไม่ค่อยมีและไม่มีนี่เนี่ยมันจำขาดห้เห็นในหัวจขงเราสิความเพียรพังกิเลียนพังยางไงนั่นมันเห็นจริงคำว่ากิเลียนแหลมผมมันแหลมคมยังไงให้รู้ปัญญาของเราแหลมคมกิเลียนมันก็รู้ด้วยว่ากิเลีแหลมคมได้ขนาดนั้นถ้าปัญญาจะไม่เหนือกิเลียนจรู้ไม่ได้นะว่ากิเลีมันแหลมคมขนาดไหนมีอำนาจมากขนาดไหนอ้อยอิงขนาดไหนไม่รู้นะ เมื่อถึงขั้นที่ควรจะรู้แล้วปิดไม่อยู่จงกระทั่งเป็นกิเลสหงายหมดเลยไม่มีอะไรเหลือจะออะไรมาแสดงรวดลายที่นี่เมื่อทํามันเหนือกว่าทุกอย่างทุกอย่างนะอ้าออกมากิเลสตัวไหนเก่งออกมาเนาะถึงขั้นมท้าทายกันมันถึงขนาดนั้ น, นะเอ อ, ออกมาพอยัดนั้นกับพุ่งเลยนะสติปัญญาที่ที่เพียงกายที่ทันสมัยที่จะหักวัตจักรวัตจิตให้มันม้วนเสือนั้นต้องเป็นสติปัญญาขนาดนั้นเป็นเอง ถ้าเราจะมาตั้งท่าต่างทางไม่ทันเนี่ยถึงขั้นที่เบ็ดเองท่านถึนงว่าภาวนามยปัญญาเป็นอย่างนั้นให้มันเป็นในหัวใจเราบ้างสิพระพุทธเจาท่านสอนท่านสอนเป็นมาแล้วท่านถึงมาสอนท่านไม่ทาม่ทานไม่เป็นอะไรมาสอนเอมันมีวิธีการที่จะอธิบายเรได้หรือลวงภาวนามาะปัญญาแล้วต้องเป็นผู้ปฏิบัติรู้ขึ้นมาท่านั้นเองถึงจะรู้เองไม่อธิบายก็รู้เมื่อมันเป็นขึ้นมาเลยอ๋ออ๋อทันทีเลยทกิเดลสทางไปตัวเห็นนี้เองอ๋ออ๋อนี่ท่านกิเลสยังไม่พังก็ตามนั้นยังไงก็มั่นใจมั่นใจไปดดมับ รับพ <l ug> ังไปเรื่อยพังไปเรื่อยพังไปเรื่อยเหมือนไฟได้เชือ้อเอาเชื้นอนันก็เชื้อเธอถ้าลงไฟแล้วเผาได้หมดทั้งนั้น น, นั่นที่นั่นยังไม่ไหม้ยังไม่มาก็ไม่ต้องบอกมันจะไปเดี๋ยวนี้กำลังลุกลามไปเดี๋ยวนี้นั่เชื้อมันอยู่ที่ไหนไฟจะลุกลามไปถึงหมดถึงหมดถึงหม ด, หมดไม้เป็นเท่าเป็นฐานหมดนี่ก็เหมือนการีิเลสฟันต้องเป็นเท่าเป็นฐานหมดด้วยอํานาจของมหาสิมาปัญญาที่มาจากภาวนามายปัญญาจะเป็นที่ไหนไปธรรมะที่สวดร้อนอยู่ในหัวใจกลางวันในหัวใจเราแล้วกลางวัอยู่ที่ไหน หรืไม่เอามาใช้มันจะนนูชติราวุธกอรถ้าภูเขาก็ตามถ้ามันไม่มาใช้มัก็เป็นสตราร์วุธอยู่งั้นแหะเราก็ต้องจมอยู่ในฆ่าศิษย์นั่นเองหาที่โผขึ้นมาก็ได้ดีไม่ดีตายอยู่ในทกากลางฆ่าศิษย์เพราะไม่มีอาวุธที่จะสู้เราไม่เอามานนำมาใช้นี่ยมีเท่าไหร่ก็ไม่นํามาใช้เกิดอยู่อะไรนี่เหมือนการสติปัญญาพระเจ้าสอนว่าเพื่อให้เอามาหุงต้มแกงกินเหรอถ้าถอนว่ายัางไงมันควรจะามาคุยปฏิบัติ ให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยประกาศกลางวันนะว่าอาการดีโกอาการิโกหมายถึงอะไรทําเหล่านี้เองเป็นอาการิโกะขอให้นำมาปฏิบัติเถอะอั น, นเรื่องผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติย่ามาสนใจผิดมากนักพลังของพิเรนมันกล่อมแล้วเร็วนะเออสมัยนี้มรมรมรรคผลนิพพานไม่มีสมัยนี้หมดแล้วมรมคผลนิพพานไม่มีแล้วจะปฏิบัติท่ารักก็ปฏิบัติไปเถอะตู้หัวมันพูดๆมันไม่เดือปฏิบัตินี่ นะผู้ปฏิบัติต่างหากผู้ที่ยิ้รู้แต่เห็นมาผู้นี้ผ่านไม่ใช่ผู้ปฏิผู้เป็นปฏิบัติแล้ว ม, มาให้คะแนนเขาใครต่อใครทั้งท่านเจ้าของไม่มีอะไรความรู้โง่ยิ่งกว่หมาตายเอาความรู้อะไรมาสอนคนอื่นให้เขาได้เป็นคติความรู้เจ้าของไม่มีนั่นะ้ไม่เชื่อที่เชื่อคนประเภทนั้นชาติยาองค์เอก เ, เป็นผู้ที่ควรเชื่อได้มาตั้งแต่วันตัดสู่แล้วทำไมจะไม่ยอมเชื่อเพราะทำไมไม่ยอมเชื่อยังไม่ยอมพบบ้ารักหูรักตาคูดอยู่นั่นหรมันไม่เคยภาว น, นา แน่หนึ่งเชื่อคนประเหทศนั่นหรอือมรรคผลนิพพานไม่มีแล้วไม่ไม่มีแล้วมันก็ตัวหัวมันเองมันไม่มีน่มผลิพพานจะเอามารผลนิพพานนั้นมาอวดละ่ะผู้มีมีอยู่ผู้ปฏิบัติมีอยู่ต้องเห็นอยู่รู้อยู่สุภาษิตธรรมตับได้ชอบแล้วนี่บางอย่างพี่เจ้ารู้จักธรรมเหล่านี้แนะภาษาเท่าไหร่รู้จากธรรมเหล่านี้เห็นจากธรรมเหล่านี้พ้นทุกจากธรรมเหล่านี้ข่ากิเลสให้มุนเซื่อไปด้วยธรรมเหล่านี้น่ะมันไม่ได้ข่ากิเลสไปไปด้วยว่ามรรคผลนิพพานไม่มีเฮฟังซิพวกนี้มันตายกี่กับกี่กันก็ มืนไ ป, นปยุ่งเขาเขาทำมาเราวิทยาศาสตรปัดความทุกข์เหมือนกับไฟติดตัวของเราพันไหม้ตัวของเราแล้วปัดไฟออกจากตัวของเรานี่มันเป็นเรื่องของเราแทนี่ไปยุ่งอะไรกับไฟเขาไหม้หมดทั้งตัวก็ไปเรื่องของเขาเองเขาไม่อยากปัดออกก็ช่างเขาสิแล้วปัดออกที่นี่เลมันเหมือนปืนเหมือนไฟราข้ากินาเป็นยังไงไฟคืออะไรนั่นโทรศินนามองเห็นนาฟังดีสามองเท่านี้ก็พอแล้วนะมันไม่อยู่ในหัวใจเรื่องโลกทุกทุกวันนี้ทุกเพราะอะไรเพราะไฟอันนี้เมันเผาเรายังไม่เห็นโทษของมันอยู่หรอ หนังจะมาภูมิใจของอยู่สบายสบายเอวันไหนก็ว่าสบายสบายตั้งแต่เรื่องธาตุเรื่องเนื้อเรื่องหนังที่จะพังอยู่เมื่อไม่กี่วันเมื่อหมดหัวใจนี่แล้วนี้เท่านั้นแล้วมันยังจะมาถือว่าสิ่งนี้พิเศษอยู่หรือทำที่พิเศษที่พระเจ้าทั้งหลายกระเทือนโล ก, กธานมานี้มานานแสนนานมากต่อมากแล้วทําไมไม่เห็นกระเทือนหัวใจบ้างเอามาพิจารณ์สิตั้งปัญหาถามเจ้าของเขาดื้อถามไม่ดีเอครูบาอาจารย์ ว่าให้กับเหมือนกับว่าดุดาม่าก่าบางทีเกิดมุดหิดอะไนะจ๊อยแทนที่จะเป็นกิเลสมันเป็นทํามันแทนที่จะเป็นทํามันกลายเป็นกิเดสขึ้นมาเสียให้เจ้าของเราฟัดเจ้าของเองเอาหนาวันนี้วางกันถ้าลงไปอย่างนี้แล้วไม่เป็นไรเจ้าของอืมเอาเอาหนาวันนี้หนาวอ่ะอืมเจ้าอะาแล้วปักกันลงไปเอาหัวขาดขาดหนาวันนี้่ต้องอย่างนั้นนั่นถ้าอย่าไม่มีไม่มีปัญหาอะไรเลยให้คนอื่นมามาขับดิบังคับอย่างนั้นมันเป็นไม่ได้หมาเข้าใจเรามันจะเป็นทํามได้ยังไงมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งเทวทัศน์ขึ้นนนมาั่ เราพิจารณาสเพราะนั้นนึงใครๆก็ตามต้องเตือนเจ้าของสอนเจ้าของเด็บเจ้าของเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแม่นจาที่สุดได้เมื่อได้อุบาจากกูบาจารย์หรือจากทํามท่านมาแล้วเอามาฟวาดลงไปใช่ยีเนี่ยมันม้วนเสือด้วยเหตุนี้เองมันมันม่นมนไม่ได้เป็นไปด้วยดังที่เราเป็นมานั้นนะให้เราจำเอาไว้ว่าวิธีการที่ทํามาแล้วนี้มันเป็นยังไง <H it> มันได้ผลมากน้อยถึงไรเอามาทดสอบกันสิแล้วเราก็จะมีทางก้าวเดิน อ่ะทุปัญหากขอ